ข้อความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มโปติยานในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องพุทธกิจของพระพุทธเจ้าต่อไปท่นก่อนได้กล่าวมาถึงเรื่องที่ได้มีปอาอะหันเกิดขึ้นในโลกหกสิบเอ็ดองค์ทั้งพระพุทธเจ้าคือพวกพระปันดวคีห พระยะศาหนึ่งเป็นหกแล้วก็สหายของพระยะศาอีกสี่รวมกับพระพุทธเจ้าก็เป็นสิบเอ็ดแล้วสหายอีกชุดหนึ่งเป็นชาวชนบทอีกห้าสิบรวมแล้วก็เป็นหกสิบเอ็ดคือพระหา น, นั้นท่านสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์ในความบรสุดสมบูรณ์ในความการุณา คือสามารถเทศสามารถแสดงธรรมะได้ในทันทีทันใดแม่บวชในขณะนั้นก็เทศได้ทันทีเลยคือไม่มีปัญหาอะไรในภาศสนามจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ประชุมพระอรหันต์ทั้งหมด60รูปไดรับสั่งแต่ท่านทั้งหลายเ่านั้นเป็นข้อความที่มีลักษณะเหมือนกับธรรมนูญของ พระสงค์ที่จะต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติเวลาเนี่ยเวลามีการบรรยายอบรมการเผยแผ่พระธรรมทูตพระที่จะไปทำงานด้านต่างๆคือข้อความตรงนี้ที่จริงก็มีอยู่สิบกว่าบรรทัดตอนนั้นเองนะครับก็ประมาณสิบบรรทัดน่แะแต่ก็ต้องนำมากล่าวย้ำแล้วย้ำอีก จะเรียกว่าท่องได้เกือบเป็นอาขยานไปเลยือส่วนหนึง่งนี่พระเราจะท่องไม่ได้เพราะเป็นหลักเหมือนรธรรมนูญที่เราจะต้องยึดถือก็คือปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เต็มตามสติกำลังความสามารถของเรารับสั่งว่าดูกรรพิสูทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คำว่าบวงในที่นี้หมายถึงพวกวัตถุกรามทั้งหลายคือรูปเสียงยปีโนตโภตภะแล้วก็ธรรมานมที่ครอบงำจิตใจของบุคลบคลผู้มีกิเลสทั้งหลายอยู่นี่ตัวพระเจ้าประหารทั้งหลายนั้นท่านบรรลุอาสวรรยานมันก็ หลุดพ้นจากอํานาจของอาสุวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายท่านจึงไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของบวกมานไม่ว่าจะปรากฏภาพลักษณ์มาในลักษณะอย่างใดก็ตามจะโยะยุ ก, ก็แล้วโยโยวนก็แล้วคือไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของท่านและเป็นการพ้นอย่างสิ้นเชิงตามคุณลักษณะของประหารทั้งห่าย ที่แปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัชเป็นผู้ไกลจากกิเลสและกุศนาเป็นผู้ไม่ทําบาปแม้ในที่รับเป็นผู้กวรไหว้สักการบูชาของบุคคลทั้งหลายนั่นเองถึงรับสัรว่าแม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เพื่อเธอจมเทียเท่ยวใจลึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพกื่อนุเคราะห์ปอชาโลกเพื่อประโยชน์เพื่อคลูและความสุขแก่เผยเทศและมนุษย์นี่คือเจตนารมในการมันเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่ามีข้อความที่สอคล้องเป็นอัน่นเดียวกัน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 พอมาถึงพระธรรมท่านก็กาวว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกได้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตตั้งหลายได้จัดสรู้อนุตตะสมาสมบททิฏานแล้ว นันก็แสดงว่าพระธรรมนั้นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเครือกูลิและโน่วความสุขให้แก่บุคคลทั้งหลายนั่นเองถ้าบุฟังทรงสังเกตได้ว่าเวลามีการทําัพิธีกรรมต่างต่างศาสน า, ศามีการถวายมีการอธิษฐานอะไรนี่มันจะมีคำว่าอัมหากังทีกระต่างฮิตายาสุขายะ แปลว่าเพื่อประโยชน์เพื่อกลูนเพื่ อ, อกลูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือไม่ได้บอกว่าเพื่อประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่วันในที่นี้คือตัวธรรมะที่จะนําไปเผยแพ่ดันมันเป็นประโยชน์แต่ว่าทํายังไงจะเกื้อกูลต่อผู้ฟัง แต่การเด็ดวิสูว่าเกื้อกูลอย่างไเรเกื้อกูลเนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้ฟังได้รับความสุขหรือได้รับความทุกข์ถ้าผู้ฟังได้รับความสุขก็ถือว่าเป็นการเกื้อกูลถ้าไม่ได้รับความสุขก็ถือว่าไม่เป็นการเกื้อกูลแต่ทีน่นี้โดยธรรมะจริงๆเนี่ยมีรักษาเหมือนยาคือยามันก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ปัญหาว่ายาอะไรมันแก้โรคอะไร อาการของโรคเป็นยังไงสมุธฐานขอโรคเป็นยังไงเวลาวางยาก็ต้องดูให้เหมาะวรแก่กรณีของโรคและสมุธฐานของโรคธรรมะที่ทรงแสดงหรือว่าให้ภาษาว o k e ทรงสั่งให้ให้ภาษาวกสั่งสอนเรามีลักษณะอย่างไรเพราะนรักษัว่าเธอคมเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเปน็นมาก เพื่อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกือ้อกูลและความสุขแก perder, แ่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายก็หมายความว่าท่านเรานั่งไปแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงที่ไหนแสดงอย่างไรแสดงไปเพื่อประโยชน์อะไรแสดงไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรนั่นก็กลายเป็นสูตรสาเร็จไป คือหมายความว่าถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์ก็จะไม่ทําตัวประโยชน์จึงเป็นแกนหลักในการทำในการสอนในการเทศในการแสดงในการสนทนาอะไรก็ตามนะฮะตัวประโยชน์จะเป็นแกนหลักแล้วก็ประการต่อไปก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไร ตอนนั้นก็ทรงแสดงวิธีการกพวกเธออย่าไปรวมกันทางเดียวกันสองลูปเพราะอะไรเพราะพระเรายัางน้อยนะพระแค่หกสิบรูปเท่านั้นเองถ้าไปเกาะกลุ่มกันมันก็ทํางานได้น้อยหมายความว่าแต่ละองค์มีเชื่อมือได้ทั้งนั้นทั้งหกสิบรูปเนี่ยเชื่อมือได้ทั้งนั้นเราสามารถทํางานได้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแต่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะท่านยุคเนี้ย ผลงานไม่ได้ปรากฏนอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นพระยุคต้นคนที่ทําสังขานานั้นเป็นคนยุคหลังคือไม่ได้รู้ผลงานของท่านบาทีท่านก็ไปก็หายไปเลยพระอะหานท่านไม่ค้องติดในอะไรเนี่ยนะท่านไม่ยึดติดในอะไรก็เรียกว่ามีอาหารบินดาบาดบริหารท้องมีพรีวรบริหารกาย หรือตอนนกปีปีกสองปีก็เหินบินไปนแนวอากาศได้ตามตามความประสงค์ตลอดไปเมื่อไหรก็เมื่อนั้นนั่นคือลักษณะของพระอรหันต์ท่านไม่ข้องไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วก็ถือว่าเราฟังฟังตามหลักไง น, นะตามหลักว่าตอนพระอนุนท่านขอพรจากพระพุทธเจ้าตอนรับหน้าที่พุทธอุปถาน ว่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ไหนแล้วไปแสดงธรรมเรื่องอะไรเนี่ยถ้าท่านไม่อยู่ด้วยต้องมาแสดงธรรมแก่ท่านอยู่รอบหนึ่อยู่ด้วยก็แล้วไปแต่การโดนท่านบวดช่วงหลังตอนธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงก่อนหน้านั้นมันก็ต้องเยอะก็แสดงว่าได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ที่พระอรหรันต์าไปแสดงเนี่ย ก็บางเรื่องกาคงจะได้ฟังนะฮะบางเรื่องคงจะไม่ได้ฟังเพราะว่าที่เราพด บ, บทบาทหลงเหลืออยู่ในช่วงหลังนี่นีไ่กี่รูปมีผลงานระดับลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ของท่านในตอนหลังเชนพระอสิชิเป็นมีลูกศิษย์ก็คือภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะ อ, อพระัญญาโกนตัญญามีลูกศิษย์ก็ชื่อว่าพระกุณณะมันตานี อาจิตต์ดาบดกาลาเทวินดาบอันนั้นไม่ได้บวชหรอกตายไปก่อนแต่ก็สั่งหลานชายเอาไว้ชื่อปนาลกะดพระเหล่านี้รุ่นแรกเหมือนกันมารุ่นแรกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีผลงานอะไรที่โดดเด่นเป็นเอกมากพอเพราะว่า คนจะนิพพานไปก่อนนะและวิธีการแสดงธรรมก็สมแสดงว่าจงแสดงธรรมมันงามในเบื้องต้นงามในทรามกลางงามในที่สุดที่เราสวดมนต์ตะวันาเช้านะอาธิกัรยาณาังมัจเรกัญญาญาณังปริโยสะนะกัญยาญาณังสะทังสะปัญจจังเกวละปริปุณังปะริทังปรมัจเรยังเบคาเสสีทุเนียก็ความตรงเนี้ย งามในเบื้องต้นนั้นก็คือศีลงามในเบื้องกลางก็คือสมาธิงามในเบื้องสุดท้ายก็คือปัญญาหรือจะพูดถึงฐานศีลภาวนาก็แล้วแต่แหละแต่ ว, ว่าบางทีมก็งามในเบืงต้นเบื้องเดียวงามเบื้องต้นก็คือบทตั้งงามในเบื้องกลางก็คือบทขยายงามในเบื้องปลายก็คือบทสรุปก็สรุปว่าเป็นการแสดงฐานให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้น แล้วก็จงประกาศภูมิจันทร์พร้อมทั้งอักทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์คาว่าภูมิจันทร์นี่แปลว่าการใช้ชีวิตที่ประเสริฐมันมีไตไปเรื่อยนะฮะตั้งแต่ทานสีน 5, ้นห้าสามีซื่อทรงต่อปัญญาปัญญาชื่อกงต่อสามีอากามาสังวรสิ้นแปดภูมิหางสี่อะไ ร, ะไรต่าง แต่ตละอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นภพมจันท์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็อัฐะอัฐะนั่นคือเนื้อหาของธรรมะเช่นสมมติว่าศรัทธาเนี่ยมีความผ่องใสเป็นลักษณะปัญญามีความสว่างเป็นลักษณะอย่างนี้หน้นาที่เคจัดโมหะเป็นลักษณะ คือเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงก็คือเนื้อหาของเออัถะอธธของเรื่องเหล่านั้นเป็นสมมติว่าไฟเนี่ยอัฐะมันคือเนื้อหามันร้อ น, นมีแสงสว่างคกลื อ, อ น, นี้เนื้อหามันก็เค็มน้นําตาลเนื้อหามันก็หวานอะไรเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าเนื้อหามัน แต่ว่าภาษาที่เรียกกนดีนะรูปร่างลักษณะต่างๆของมันเนี่ยมันก็หาข้อยุติไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโน้นแต่ว่าพราชิมเข้ามาเราก็ร่วมเป็นน้ําตาลพอเราชิมเข้ามาเราก็ร่วมันเป็นเกลือแต่ว่าจะไปเอารายละเอียดให้เหมือนกันหมดเป็ยไม่ได้ปัญญาณนี้ไม่เหมือนกันแต่อัปปะเนี่ยมันจะเหมือนกัน ไม่ว่าอย่างเกลือในภาษาไหนจะเรียกอะไรก็ไม่รู้อะพอแตะลิ้นเรารู้ว่าเค็มก็คือมันนี่ยแล้วมันจะเป็นเค็มสากลไม่ใช่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งเค็มในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะไม่เค็มมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นเกลือแล้วก็ต้องเค็มด้วยกันเราต้องทำผัดไปลิ้นแล้วท่านบอกว่าบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจําพวก ที่มีธุลีคือกิเลสในจกักษุน้อยมีอยู่หมายความว่าคนที่กิเลสน้อยบาบางมีอยู่ที่สามารถจะรู้ธรรมะได้สามารถจะเข้าใจธรรมะได้แต่เพราะไม่ได้ความธรรมนี่ก็จะเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมนี่จะมีแล้วก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตงําบลรู้เวลาเสนานี้ผมเปลือแสดงธรรม นี่คือลักษณะเด่นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงทํางานร่วมกับพระภิกษุหมายความว่าให้ภิกษุทําอะไรพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นงานด้วยกันแยกย้ายกันไปทํางานแต่งานของพระองค์หนักนะงานของพระองค์ที่จะไปรู้เวลาเสนานิคมนี่เป็นงานหนักแต่ว่าที่ส่งพระไปเนี่ยก็แล้วแล้วแต่ก็หนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่ท่านจะไปเจออะไรเข้า ทีนี้ในตอนนี้มันมีเรื่องแทรกขึ้นมาเรื่องหนึ่ก็นในมหาวัดมหาคันตะกะนะฮะกันเล่าว่าพรั้งนั้นมานผู้มีใจบาปได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกันแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า ท่านเป็นผู้อันบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิ์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ถูกพันไว้แล้วท่านเป็นผู้อันเครื่องผูกใหญ่รัดถึงแล้วแนสมณะท่านจักไม่พ้นเราอันนี้มารก็มาคู่คือมารมารในทีน่นี้มันมาเนี่ยที่จริงมันมีอยูสี่ป ร, ประเภทห้าประเภทกันนะครับมารมีห้าประเภทกันประเภทหนึ่งก็คือกิเลสมารประเภทที่สองก็คือขันธมาร ประเภที่สามคืออภิสังขาระมาณคือบุญคือบาปคือรูปชาญรูปชาญเนี่ยนะแล้วก็มรรคมานคือความตายแล้วก็เทวบุปฏมานมาณคือเทวปฏตอนนี้เป็นมานคือเทพบุตรมาปรากวดด้วยภาพลองตัวมาเพื่อจะมาหลอกพระพุทธเจ้าเนื่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักเมื่อเกเกล่าวเมื่อแกเก่ า, กาวมาเช่นนั้น พระเจ้ารับสั่งว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบวญทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกใหญ่ดูกนมาท่านถูกเรากําจัดเสีแล้วคือมานี่จะมาบ่อยนะมาในลักษณะพร้อมตัวมาบ้านมาหลอกลวงพระพุทธเจ้าหรือวิธีการต่างๆแต่พระเจ้าก็จับได้ทุกทีแต่แกก็ไม่เค็ดไม่หลาบ มาปรากฏมาขอก ว, ว, วื่อนอยู่ได้ด้วยอันนี้ทำให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่กิเลสเสมอไปหรอกที่มาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางมาตัดกรอนมาคุกขามเราเนี่ยบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ที่เนียมนาดเหนือเรามาคุมขู่มาคุกขามมาริรอนเราบางทีก็อาจจะเป็นคน บางทีว่าจะเป็นความรู้สึกเม่คิดภายในใจเราเองเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเช่นสมมติว่าเราไปทําเชื่อทําผิดอะไรไว้แล้วก็จิตใจมันไม่สบายไปเกิดวิตกกังวลไปวิปริตสารเดือดร้อนใจมันก็กลายเป็นมานอย่างหนึ่งเป็นอปิดสังขาระมานเมื่อคุการรักสั่งอย่างนั้นท่านก็บอกว่าบ่วงที่นี้ เที่ยวไปในอากาศเป็นของมีในจิตสัญจร อ, อยู่เราจะถูกรับท่านด้วยบ่วงนั้นแนสวณะท่านจะไม่พ้นจากเรานั่นมันก็ยังหลงอยู่กับอดีตความยิ่งใหญ่ในอดีตที่จริงเราพุทธเจ้ากำจัดไปตั้งแต่ต้นโพมาแล้วนะแล้วก็ท่านมาโพอีกเที่ยวหนึ่งเราคงยังไม่ออกตอนที่ สามาดีพรมมากราบทูลนารถนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเมื่อพระพุทธเจ้ารับแสดงธรรมแล้วพญ า, ามารก็โผล่มาขอให้นิพพานนะฮะอันนี้ก็โผล่ไปอีกละโผล่มาเหมือนกัท่านหลงหล ง, ล, ง ล, ลืมลืมอะไรเจ้าก้นเนะียายา่ยคือพระพุทธเจ้าชนะแล้วท่านก็ยอมแพ้ไปแล้วท่านก็น่าจะหยุดขวัขวายหยุดความพยายาม แต่ก็มาอุตสมามาห ล, ลอกลอกลมจดได้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิต ภ, ภอันเป็นที่เรื่องลมใจนุก่อนมาน่านถูกเรากำจัดเสียแล้วดังนั้นมานผู้มีใจบาปรู้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้จักเราประสุคบสมู้จักเราดังนี้แล้วมีทุกเสียใจหายไปในที่นั่นเอง ที่เตรียมตัวมาโดยคาดหวังว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักจะนึกจะหลอกก็เป็นเรื่องของโคโนโน่ก็ว่ากันไปนะประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าเจตนาลมในการประดิสถานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นการมุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นประการสาคัญนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่แสดงออกถึงเจตนารมอันแนว่วแนว่แนของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายที่ว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปจะรัฐะพิกเวจริกังบูชนะอิตายะบูชนะสุขายะโลกาโนกรรมปายะ ทิตายะสุขายะเดวมนุษยานางเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญมากทีมันเป็นหลักการเป็นอุดมการเป็นหลักการในการทำงานของพระสงฆ์เป็นการสืบสารจริยาของพระพุทธเจ้าแล้วก็สืบสารงานเผยแพร่ของพระสัษธรรม ขึ่นก้าวโดยนึกอาสาระแล้วพุทธวิสัตน์เราเนี่ยต้องทำด้วยกันแต่สังคมไทยเราอาจจะมากันแบบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ยแต่วันนี้ก็น่าดีใจที่สาวบ้านเนี่ยออกเผยแผ่ธรรมะ ก, กันมากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายออกอภิปรายออกบรรยายออกอบรมตั้งเข้าไข่เ ข, ข้าอะไรต่ออะไรต่างๆ คือจะมอบไปพระเป็นพวกเดียวนี่คงไม่ไหวเราพระมนคนนิดเดียวกันนั่นเองบ้านเมืองนี่ซอกแซกไปในที่ต่างๆเยอะแยะที่พระเข้าไปไม่ถึงและไม่มีโอกาสเข้าไปถึงมันเป็นภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบร่วม ก, กันชาวบ้านจะต้องจะหนักถึงภารกิจในการศึกษา พระศัพท์ธรรมในการบิบัตรริตามประศัพท์รรมในการเผยแผ่ประศัพท์ธรรมและในใน ก, การดูแลรักษาระศาสนาด้วยเพราะศาสนาเราเป็นศาสนามนุษยชาติคือขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ อ, ค, อ ค, ความสุขแก่บุคคลเป็นมากเพื่อเป็นการ อ, อุทธรณ์ต่อจ้าโลกลักษณะของสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น คือธรรมะนี่เขาเป็นประโยชน์อยู่โดยสถานะ้วตัวอย่างเช่นทิฏฐธรรมิกาทถาประโยชน์เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องการอยู่ดีนิสุขของบุคคลในโลกพระเจ้าก็ทรงสอนสุขของคฤหัตเอาไว้ คือสุขจากการมีทรัพย์สุขเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขที่เกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใพรและสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ปรศาศจากโทษแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นผลมันเกิดขึ้นห ล, ลอยไม่ได้มันเป็นผลมันทํำยังไงจรึงจะสร้างเหตุขึ้นมามันก็คือด้วยการ อุทานะสัมปทาเนว่าทิฏฐธรรมิกาตาประโยชน์ในใียกวัยเศรษฐีเนี่อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันในการบริวัติภารกิจใการงานและก็สัมปทาสบู่ในการ ร, กาาธธารักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้แล้วโดยจับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งส่วนใช้เลี้ยงดูตนเองในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งส่วนใช้เก็บออามาไหว้หนึ่งส่วนใช้ดําเนินธุรกิจ ต, ต่อไป เราไม่ค่อหวือหวาหรอกแต่เราจะเห็นว่าหลักการในพุทธศาสนา น, นั้นต้องการให้รายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายไม่ใช่รายจ่ายไปท่วมท้นรายได้ถ้าหากว่ารายได้ไม่มากรายจ่ายก็ต้องควบคุมลดลงมาเพื่อมีรายเหลืออยู่บ้างจะได้ไม่มีปัญหาในการครองชีต วันละ ก, การเหล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็มีกาลยาณมิตรตายเพรามาสมาคมมาคนดีเป็นนิสเป็นตายแล้วก็สมชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแ ก, ก่กำลังทรพทัพย์ติดตนหาได้มาแล้วก็มีอยู่ไปในครอบครองทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็ได้ประโยชน์แล้วก็เกื้กูลในความสุขให้ในการคลองเรือนของสุขได้ ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลเหล่านั้นท่านฟังทั้งหลายแต่รวงบูวิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาอยงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี